ข อ, อนอบนบคุณพระตาไตรโอกาสพระอาจารย์ไพศาลพระเทลานุเทละเพื่อนสัทวรรมิกทุกท่านจเจริญในธรรมไม่ชีและ้ายทธรรมทุกท่านช่วงนี้การเข้าบรรษาก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเนาะครั้นี้ผู้ที่จำบรรษาก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะอยู่ได้มีความสุขหรือไม่มีความสุข การที่เราจะอยู่ได้มีความสุขนั่นแหละก็เพราะเราไปจักแจ้งในใจของเราเองว่าในใจของเราน ม, มีความทุกข์มากหรือน้อยเพียงใดนะถ้าในใจเรามีความทุกข์น้อยเนี่ยเราก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าในใจเราเนี่ยมีความทุกข์มากความสุขก็น้อยลงนะความทุกข์ในใจเราก็เกิดจากความโลภนะหรือราคะก็ ค, คือความยินดีอยากได้สิ่งตา่าง เกิดจากโทสะนะเลยความไม่พอใจต่างๆนะแต่สิ่งสำคัญก็คือนะเรามีโมหะคือความหลงไปนะความหลงนี้นะมันเป็นหัวหน้าใหญ่นะที่นำให้เราเกิดนะความโลภความโกรธตามมานะเพราะในชีวิตคนเรานี่ก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองคือความหลงนะและความรู้ ความหลงก็หลงไปในทางกายนะเราตอนนี้เรานั่งอยู่เราก็ไม่รู้เรากำลังนั่งยืนก็ไม่รู้กำลังยืนเดินก็ไม่รู้กำลังเดินนอนก็ไม่รู้กำลังนอนกาลังดื่มน้ำไม่รู้ทานอาหารไม่รู้อันนี้หลงไปในทางกายความหลงไปในทางใจนะเราไม่รู้ขณะนี้กำลังคิด ก็ไม่รู้นะขณะนี้กำลังมีอารมณ์อะไรเราก็ไม่รู้นะเพราะเมื่อไม่รู้แล้วมันจึงกลายเป็นความหลงเพราะนั้นสิ่งที่เรานะมีในแต่ละวันก็คือหลงกับรู้เท่านั้นเองยิ่งเราหลงมากเนี่ยเราก็ยิ่งรู้น้อยเพราะเราหลงมากใจเราก็ไปเพลิดเพลิน ไปในอารมณ์ต่างๆไปในความยินดียินดีก็คือราคะหรือโลภะนั่นเองยินดีไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ยินลายไปนเกิดความไม่พอใจเกิดปฏิฆะในสิ่งต่างๆอารมณ์ก็เราเป็นแบบนั้นทั้งวันสิ่งเหล่านี้ยก็เกิดจากการที่เราหลงไปนแต่สิ่งที่ตรงกับข้ามตัวหลงก็คือตัวรู้นั่นเองนะ ยิ่งเรารู้มากเนี่ยเรายิ่งหลงน้อยแต่เมื่อเราหลงมากเราก็รู้น้อยเพราะฉนั้นการที่เรามาเป็นบัตธรรมนี้ก็คือเรามาสร้างตัวรู้ให้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งรู้มากความหลงก็น้อยลงน้อยลงนะเพราะฉะนั้นวิธีการหลงพอเทียนเนี่ยจึงเป็นวิธีการเนี่ยขยับธาตุรู้ให้โตขึ้นมาเนะพราะเราเนมีธาตุรู้ทุกคนอยู่แล้วนะก็เรียกว่า วิญญาณธาตุแต่คนนี้ธาตุรู้ของเราเนี่ยยังไม่เติบโตนะเหมือนกับเด็กนะเป็นเด็กก็ยังไม่โตเต็มที่นะเราก็มาขยาเขา้าขยาเขา้าสร้างตัวรู้บ่อยๆนะเมื่อทำให้เกิดตัวรู้บ่อยๆตัวรู้ก็ค่อยๆโตขึ้นมาจนเมื่อเขาแข็งแรงนะโตเป็นผู้ใหญ่นะ เราก็ไม่ต้องไปคอยสั่งว่าทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นนะเพราะเมื่อเขามีกำลังแล้วเขาก็ทำของเขาเองได้นะเพราะเมื่อความเป็นผู้ใหญ่ในท่านรู้โตมาแล้วเขาก็สามารถทำงานของเขาเองไดนะ้โดยที่เราไม่ต้องไปคอยบังคับควบคุมไปคอยแต่งเติมให้เกิดตัวรู้บ่อยๆเหมือนเช่นในอดีตนะตอนนี้ เพราะฉะนั้นวิธีการนะหลงพ่อเทียนะคือเราไม่ต้องเอาความสงบนะต้องตั้งประเด็นให้ถูกว่าเราไม่ได้เอาความสงบแต่ถ้าความสงบจะเกิดขึ้นมาเองก็ไม่เป็นไรนะแต่เรามาสร้างตัวรู้นะมาเขย่าวทารู้ บ, บ่อยๆนะมาทําให้เขารู้สึกตัวบ่อยๆเพื่อให้เขาโตขึ้นมานะครั้นี้เขย่าวทานรู้ไปไเขย่าที่ไหนนะ จริงๆการไปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมที่วัดก็ได้เนาะหรือไม่ได้ไปไปปฏิบัติที่บ้านหรือปฏิบัติที่ใดที่หนึ่งจริงๆแล้วเราก็ปฏิบัติที่กายและใจเราเท่านั้นเองนะอาศัยกายและใจเรานี่แหละเป็นที่ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะเราจะปฏิบัติธรรมในทุกๆแหง่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่วัดือที่บ้าน ที่ทํางานนะหรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ปฏิบัติทําได้เพราะเราปฏิบัติที่กายและใจคนะันนี้ที่กายเราก็เป็นเป็นของหยาบนะเป็นของใหญ่นะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ได้ง่ายนะเราก็กายนี่แหละมาเคลื่อนไหวคันนี้ถ้าเราเคลื่อนไหวเนี่ย ว, วันๆหนึ่งส่วนมากเราก็ไม่รู้ว่าจะเคลื่อนไหวตรงไหนนะ เราจะนั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างนอนบ้างนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ต่อเนื่องกันเราก็เลยใช้วิธีมานั่งนี่แหละแล้วก็ยกมือสิบสี่จังหวะเพื่อให้เกิดตัวรู้เนี่ยต่อเนื่องกันนะยิ่งเราสามารถรู้ต่อเนื่องกันไปยาวนานเรื่อยๆนะตัวรู้ก็จะเกิดได้บ่อยขึ้นทีขึ้น เนี่ยก็เลยมานั่ง้างหวะกันนะหรือเดินจงกรมกันก็ให้เดินนานๆนนหน่อยนะอ่าจะได้ตัวรู้เนี่ยจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวๆกันนะเพราะนั้นบางทีนะันก็จะมีผู้เก็บอารมณ์เข้มปฏิบัติทีนึงยาวนะ่เดินก็เจ็ดแปดชั่วโมงนั่งก็หลายๆชั่วโมงนะบางคนนั่งได้ห้าหกชั่วโมงเลย ก็ต้องให้มันต่อเนื่องกันพอสมควรนะอันเนี้ยมันจะเป็นการที่เรียกว่าเราต้องมีความเพียรด้วยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังความสําเร็จอะไรหรอกนะไม่ต้องว่าเราไปบัติแล้วต้องได้ผลภายในเจ็ดวันนะอันนั้นไม่จําเป็นนะเพียงแต่ว่าเรามีความพยายามไหมนะวันนี้นะเราพยายามเต็มที่หรือยัง ส่วนผลสําเร็จไม่ใช่หน้าที่ของเรานะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้นี่แหละเราไม่ได้หวังเออปลูกแล้วต้องได้ผลเร็วๆนะแต่เราไม่หน้าที่แค่รดน้ําเท่านั้นเองนะเราทําเหตุให้เกิดเท่านั้นเองส่วนผลไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องไปหวังนะเพราะว่าการปฏิบัติแต่ละครั้งนั้นไม่มีผลอยู่ในตัวอยู่แล้วนะแค่ความรู้สึกตัวนั้นก็เป็นผลแล้วนะความรู้สึกตัวนั่นแหละ เป็นความสุขในชีวิตแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะยิ่งเรารู้สึกตัวได้เท่าไหร่บ่อยๆทีๆนะความเป็นปัจจุบันก็เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าความปัจจุบันนั้นเนี่เราก็จะเห็นความคิดที่มันไหลเข้าไปในอดีตนะหรืออนาคตได้ชัดเจนเพราะเราสามารถอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะความเป็นปัจจุบันนั้นนะ คืออะไรนะบางคนบอกโอ้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะปัจจุบันก็คือขณะนี้นั่นเองนะที่นี่เดี๋ยวนี้นะที่เรากําลังนั่งอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะแล้วก็อยู่ต่อหน้าเราเท่านั้นเองด้วยแม้แต่ข้างหลังเราก็ยังอาจจะไม่ใช่ปัจจุบันนะแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อนหน้านี่แหละคือปัจจุบันนะเมื่อเราอยู่ปัจจุบันจริงๆแล้วนะอนะนะเราจะเห็นเลยว่าอาดีตเนี่ยมันไม่มีนะนะออดีต ที่ผ่านมาเมื่อหลายๆปีก่อนมันก็ไม่มีหรือเมื่อมีใครเคยมาด่าเราในอดีตมันก็ไม่มีนะความที่เราพัดพากจากสิ่งที่รักในอดีตทำให้เราต้องมีความทุกข์มากจริงๆแล้วมันก็ไม่มีนะมันมีอยู่ในแค่ในความคิดเราเท่านั้นเองเพราะเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันไม่ได้คิดะไรอดีตมันก็หายไปอยู่ดีนะแต่เมื่อความคิด กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งสู่อดีตมันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองนะแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเออความคิดนี่มันเกิดขึ้นแล้วนะแล้วเราก็ไม่ไปอยู่กับเขาเราไม่ไปให้ค่ากับความคิดเหล่านั้นความคิดเหล่านั้นก็จะหายไปองกนะการหายไปของความคิดนั่นแหละก็คือความทุกข์ที่ดับไปในแต่ละขณะแต่ละขณะนะ ความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นในใจเราไม่ได้เลยถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือความรู้สึกตัวจริงๆนะไม่ให้เข้าไปสู่อดีตแต่ขณะเดียวกันอดีตก็จะกลับมาอยู่บ่อยๆนะให้เราคิดไปนู่นคิดไปนี่นะหรือนาคตก็จะเข้ามาอีกเนะช่นเรานั่งอยู่ขณะ น, นี้เราจะคิดไปถึงบ้านแล้วนะคิดไม่พอจนะอไปห่วงตัวเองนะ เขาจะอยู่ยังไงเขาจะสบายดีไหมนะนะเราก็ไปห่วงเขาอันนี้แสดงว่าเรานะยังรู้ไม่ทันใจเราเองนะพารู้ไม่ทันใจเราก็ไปให้ค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดการที่ให้ค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดนั่นแหละมันจะนำความทุกข์มาให้เรานะยิ่งเราคิดถึงใครนะคนนั้นก็จะนำความทุกข์มาให้เรา ก็เราไปให้ค่ากับคนนั้นแล้วนะครูบาอาจารย์ท่บ้บอกว่านะคิดถึงใครนั่นแหละเราจะเป็นทุกข์เพราะคนนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความยึดติดนะความยึดติดยิ่งยึดในสิ่งใดมากเราก็จะทุกข์ในสิ่งนั้นมากนะเราห่วงใครมากแล้วก็ทุกข์ในคนนั้นมากนะเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันไม่ปล่อยไม่ปล่อยจากความยึดติด ไม่ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นนะเราต้องสังเกตให้ไวการที่เราไปให้ค่ากับสิ่งใดนั่นแหละก็คือเรายึดในสิ่งนั้นมากแต่ถ้าเราไม่ให้ค่ากับสิ่งใดเราก็จะไม่ยึดในสิ่งนั้นเลยอตอนนี้ก็มีคนอยู่ในโรงพยาบาลเยอ ะ, ยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่ในคนเหล่านั้นไม่มีญาติเรา man, <S <S ไม่มีคนที่เรารักแม้แต่คนเดียวเราก็ไม่ทุกข์นะแต่ถ้าในโรงพยาบาลมีญาติเรามีคนที่เรารักอยู่แม้แต่คนเดียวเราก็มีความทุกข์แล้ว เพราะเราไปให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นเรารู้ไม่ทันความคิดของเราเท่านั้นเองนะการที่เราจะรู้ทันความคิดนะเราจะทําอย่างไรก็คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆนั่นเองนะอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆโดยการทําความรู้สึกตัวนี่แหละเมื่อเรารู้สึกตัวก็จะอยู่กับปัจจุบันเองนะแต่ความคิดมันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะแต่มันจะส่วนใหญ่จะไหลเข้าไปสู่ในาเด็ดไหลเข้าไปสู่นาคตอยู่แล้วนะ ให้เราฝึกอยู่ปัจจุบัน บ, บ่อยๆนะนะการที่เราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนะเมื่อมีความใจเนี่ยเข้าไปรับรู้ในการเคลื่อนไหวนะเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะการที่เราเคลื่อนไหวจริงๆแล้วเนี่ยเราเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใจเราก็ไปรับรู้ไหมนะถ้าใจไม่รับรู้เขาเรียกว่าเป็นความหลงนะบางที เรายกมือก็จริงนะแต่เราคิดไปเรื่องนู่นคิดไปเรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ากำลังคิดอยู่อันนั้นก็กลายเป็นความหลงแล้วแม้ว่าเราเคลื่อนไหวมือก็จริงมันก็เป็นความหลงแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวมือด้วยความรู้นะคือก็จิตเข้าไปรับรู้การเคลื่อนไหวเหล่านั้นก็กลายเป็นตัวรู้ขึ้นมานะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรู้หรือไม่รู้อยู่ที่ใจของเราเนี่ยสามารถที่จะรู้ทันอาการของกายไหมนะ การที่ใจรู้ทันกายเขาเรียกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวใจก็เข้าไปรับรู้นะกายกับใจก็เป็นส่วนเดียวกันนะหรือถ้ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะออันนี้ก็ทําให้เราเกิดความรับรู้ขึ้นมาเหมือนกันนะการที่กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนั่นแหละเป็นประเด็นสําคัญในการปฏริบัติธรรมนะเพราะถ้ากายอยู่ไหนใจไม่อยู่นั่นมันก็เป็นความทุกข์อย่างนั่นแหละใช่ไหมมันก็เรานั่งอยู่นี่แต่ใจไม่ได้อยู่นี่ไปอยู่บ้านเราก็ทุกข์นะ นักบวชก็เหมือนกันนะบางคนมาอยู่วัดแล้วเนะี่ยเ อ, อกายก็อยู่วัดแต่ใจก็ไปอยู่ที่อื่นนะมันก็ไม่มีความสุขมีแต่วความทุกขนะ์ถ้าหากว่ากายและใจอยู่ด้วยกันได้เมื่อใดนะนั่นก็จะเป็นความสุขของเรานะการที่กายกับใจอยู่ด้วยกันได้นะมันก็ไม่หลงแล้วนะแต่ถ้ากายอยู่ตรงนี้ใจอยู่ตรงนู้นมันก็หลง จริงเราหลงมากมันก็นําความทุกข์มาให้เราตลอดเวลานะเนี่ยเราจรึงต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเราปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะอ่าในขั้นแรกให้เราขย่าท่านรู้ให้ได้ก่อนนะต้องขยันขย่าอยู่บ่อยๆนะกายเคลื่อนไหวก็ใจรับรู้ไปเรื่อยๆนะเมื่อเราอยู่กับของหยาบก็คือเรารับรู้ในทางกายแล้วนะจิตที่มันละเอียดเราก็รับรู้ไปได้ด้วยนะจากเมื่อก่อนที่เราเคยคิดทั้งวันนะคิดบ่อยๆ คิดเป็นลอยค้งยังไม่รู้ว่ากำลังคิดเลยนะคิดยาวนะแต่เมื่อใจสามารถที่จ ะ, ะมีสติได้มากขึ้นความคิดก็จะค่อยๆสั้นลงสั้นลงนะจากเคยคิดยาวนะความคิดก็จะสั้นลงกลายเป็นคิดเป็นช่วงๆนะความคิดไม่ได้หายไปนะไม่เช่อย่างที่บอกแล้วว่าการแบบทาวิธีจเจริญสตินี่ไม่ใช่ว่าเราทำให้จิตสงบไม่ต้องคิดอะไรไม่จำเป็นนะ เพราะไม่มีใครห้ามเขาได้หรอกยิ่งเรานั่งสมาธินะบางทีจิตฟุ้งซ่านหนักกว่าเก่าอีกนะเพะเราเริ่มไปห้ามเขานะเราไมไ่ไปห้ามจิตว่าไม่ต้องคิดอะไรให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปเถิดเรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือตามรู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะเขาคิดร้อยเรื่องก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้ไปร้อยเรื่องเลยถ้าเรารู้ร้อยเรื่องนี่แสดงว่าสติเราโตแล้วนะ แต่ถ้าเขาคิดร้อยเรื่องเรารู้แค่เรื่องเดียวในสตงว่าสติเราน้อยเราลงไปถึงเก้าสิบเก้าเรื่องนะเพราะลวงพ่อเทีนท่านจึงบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะคําว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้ก็หมายความว่ายิ่งหลงก็ยิ่งรู้รนั่นเองนะเราหลงไปเป็นเรื่องธรรมดาของเราแต่เราก็ไม่ทุกข์กับความหลงนั้นนะเรารู้ว่าเราหลงก็เป็นสติแล้วเพราะสติก็คือความระลึกได้นั่นเองนะยิ่งเราหลงบ่อยๆนะแล้ว เ, เรารู้บ่อยๆนี่แหละ สติก็จะโตเร็วนะเป็นการฝึกซ้อมให้สตนะิได้ตามรู้ได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะแต่ถ้าจิตไม่คิดอะไรเลยนะการที่เราจะรู้หรือระลึกได้มันก็น้อยลงนะแล้วเราก็จะไปเห็นนะสภาวะหนึ่งก็คือความคิดนั้นมันเกิดแล้วมันดับของมันเท่านั้นเองนะยิ่งเราเห็นมันบ่อยๆเราก็เห็นเออมันความคิดมันก็ทางานของมันเอง แล้วมันเกิดแล้วมันก็ดับของมันเองเนี่ยถ้าเราเห็นไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญานะปัญญาก็เห็นว่าเออในความคิดต่างๆวันๆหนึ่งคิดต้องเยอะต้องแยะถึงห้าหมื่นครั้งนะมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระนะเป็นความไร้สาระจริงๆความคิดเนี่ยใช่ไหมแล้วก็จิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้น เมื่อจิตเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดคลายกำหนักก็คือคลายความยึดติดในความคิดแนวลมต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคลายกำหนักจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วก็คืออานิสงส์แห่งการที่เราเข้าไปเห็นความคิด บ, บ่อยๆเห็นความเกิดความดับของความคิด บ, บ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นความเกิดดับตามมาคร น, นี้การที่เห็นความเกิดดับไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะพระโกนทัญญะ ได้ฟังธรรมจักกับปวนสูตรจากผร้เจ้าซึ่งทรงแสดงธรรมเนครั้งแรกก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมว่ายังกินจิสมุทะยธรรมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาเมื่อท่านประจักษ์เช่นนั้นปุ๊บท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยครูเจ้าก็ทรงอุทามาว่า อัญญาสิวตฏโผกณทันโยอัญญาสิวัฏโผโกณทันโยติโกณทัญยะรู้แล้วหนอโกณทันญะรู้แล้วหนอคําว่าอัญญาก็คือรู้นั่นเองนะเนี่ยก็คือรู้นะในความเกิดความดับนั่นเองนะคราวนี้ความเกิดความดับจริงๆแล้วก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือรู้อะไรก็ได้นะที่มันเกิดแล้วมันดับรู้มันบ่ยบอยๆนะ รู้ความคิดก็ได้รู้อารมณ์ก็ได้รู้ในร่างกายที่มันเคลื่อนไหวก็ได้เห็นความเกิดความดับในสิ่งต่างๆบ่อยๆในกายและในใจนี่แหละเมื่อเห็นบ่อยๆแล้วนะจิตมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดการคลายกำหนัดก็คือการคลายความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนของเรานะ ปก ต, ตินี่เราก็จะยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละแต่เมื่อมันเห็นแล้วนะว่ามันบังคับบัญชามไม่ได้นะมันจึงแสดงอาการเกิดระดับให้เราเห็นบ่อยๆนะในอารมณ์ต่างๆในร่างกายต่างๆมันเป็นเขาเแบบนั้นเองนะเราจะไปบังคับเขาไม่ได้หรอกกายเขาก็ทางานหนึ่งเขาเองนะใจก็ทำงานหนึ่งเขาเองนะทำไมถึงว่ากายทำงานเองนะ จริงๆแล้วเนี่ยไกายเขาทำงานเขาตลอดเวลาแล้วเมื่อแม้แต่เรานอนหลับนะเรารับประทานอาหารเขาก็ย่อยของเขาเองเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาย่อยนะเขาหายใจเขาหายใจของเขาเองหัวใจเขาทํางานเขาทํางานเขาเองทํางานตลอดเวลาเลยนะเขาแก่เขาแก่เขาเองนะเราไม่ได้ไปสั่งเขาเขาทำงานเขาเองอยู่แล้วนะใจก็ทํางานของเขาเองอยู่แล้วเหมือนกันใจก็มีความคิดเขาคิดของเขาเองนะเราไม่อยากคิดหรอกนอกจากความตั้งใจคิด ถ้าเราไม่ตั้งใจคิดเขาคิดเขาตลอดเวลาวันหนึ่งประมาณห้าหมืนครั้งนะอารมณ์ต่างๆความโกรธจริงๆไม่มีใครอยากจะโกรธหรอกแต่เขาก็โกรธขอเขาเองนะนี่เรามองให้ดีว่าเขาทำงานของเขาเองเราไม่ีหน้าที่แค่ตามรู้ไปตามความเป็นจริงเราไม่มีหน้าที่ไปบังคับบัญชาให้เขาตามที่เราต้องการถ้าเราบังคับได้เราให้จิตสงบสักห้านาทีได้ไหมก็ยังทาไม่ได้เลยนะหรือจะให้ <c oughs> จิตมีความสุขนา น, าน มีความสูงนานๆก็มีไม่ได้อีกนะมันเป็นไม่ ไ, มได้เราที่เราจะไปบังคับบัญชาเขาได้นะยิ่งเราเห็นสภาวะที่มันเกิดระดับบ่อยๆเราจะยิ่งเข้าใจ <c oughs> ในสภาวะธรรมจริงๆว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเนะี่ยเมื่อบังคับบัญชาก็ไม่ได้จึงไม่ให้ตัวเมตตนของเราแต่ถ้าเราบังคับบัญชาก็ได้มา่อไหร่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราเก่งกว่าคนอื่นก็นะเราเก่งจิตเราสงบดีนะ เรามีสติตลอดเวลามีความรู้สึกตัวตลอดเวลาเลยเราเก่งกว่าคนอื่นเข้าแล้วอันนี้มันความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นมาอีกนะเพราะว่าเราคิดว่าเราบังคับบัญชาสิ่งต่างได้นะมันก็จะไม่ออกจากทุกข์ที่แท้จริงนะเพราการปฏิบัติธรรจริงๆก็คือมันไม่ต้องไปเอาอะไรกับเขานะการปฏิบัติธรรไม่ใช่ไปเอาสติสมาธิปัญญาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะปล่อยจะวางอะไรได้มากกว่า ยิ่งปล่อยได้มากวางได้มากความยึดมั่นถือมั่นก็จะน้อยลงนั่นแหละคือความทุกข์ที่น้อยลงนะแต่ถ้าไปบัติแล้วมีความยึดความติดไม่ปล่อยไม่วางความทุกข์ก็เท่าเดิมหรือจะมีมากขึ้นด้วยนะความทุกข์นั่นแหละมันเป็นความที่จิตเรารู้ไม่ทันกายไม่ทันใจนะแล้วก็ไหลไปแนวลมต่างๆที่เกิดขึ้นปล่อยให้เขาไหลไป เรื่อยๆทั้งวันนั่นนอกจากเป็นความทุกข์แล้วก็เป็นความหลงทั้งสิ้นนะความหลงนั่นแหละนําความทุกข์มาให้นะเพราะฉะนั้นสิ่งตรงข้ามของความหลงอย่างที่บอกแล้วก็คือเราต้องรู้นั่นเองนะยิ่งรู้บ่อยๆรู้บ่อยการที่เรารู้บ่อยความหลงก็จะล ด, ล, ดลงลดลงในที่สุดจนทั้งมันอาจจะไม่หมดไปก็จริงแต่มันจะน้อยจากใจของเรายิ่งน้อยไปเท่าไหร่นะความสุขก็จะมีมากขึ้น เพราะ น, άν, นั้นพระนิพพานแลจริงๆเราไม่ได้ไปหาว่าอยู่ที่ไหนหรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจริงๆเราก็ไม่รูนะ้มีคนเคยถามว่าถามพระเจ้าบอกว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนนะพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบตรงๆแต่ให้เห็นเนะทียนที่มันดับไปไฟมันหายไปไหนนะนั่นแหละเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหาแต่เราไม่น่าที่อย่างเดียวก็คือเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วหรือเรามาบวชแล้วเราขอให้ความทุกข์เราน้อยลงนะ ยิ่งความทุกเราน้อยลงเท่าไรนั่นแหละเราก็ใกล้พันิพานมากขึ้นเท่านั้นนะความทุกข์นั้นอย่างที่ว่าและเกิดจากใจของเราเท่านั้นเองนะใจที่เรารู้ไม่ทันอารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงรู้ไม่ทันแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเราจะเริ่มรู้ทันขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าความทุกข์นั้นเนี่ยันแสดงมาในรูปแบบของอารมณ์ต่างๆนะมีความรักความชังความเกลียดความโกรธ ความอิดช้าเลสยาความหึงหวงความเหงาความเครียดความกลัวความเบื่อหน่ายนะอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แหละคือความทุกข์เมื่อก่อนมันเกิดขึ้นมาได้เพราะเรารู้ไม่ทันมันแต่ถ้าเรารู้มันทันแล้วมันจะอยู่ในใจของเราไม่ได้นานนะเพราะสตินั้นคือความระลึกได้คือการรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วมันจะดับไปอย่างรวดเร็วนะการที่เรารู้ไม่ทันนั่นแหละคือเราเป็นผู้เป็นนะ ขณะนี้เราโกรธใครมาด่าเรามาว่าเราเราโกรธนั่นเราเป็นผู้เราเป็นผู้เป็นแล้วเราเป็นผู้โกรธแล้วนะเพราะว่าสติไม่มีกําลังแต่ถ้าเริ่มมีกําลังเริ่มเป็นผู้รู้แล้วนะเมื่อมีใครก็มาด่าเราปั๊บเราจะเริ่มสังเกตอารมณ์ได้ละเออขณะนี้นะกําลังหงุดหงิดกาลังไม่พอใจเกิดขึ้นแค่เราสังเกตเป็นเท่านั้นเองนะเราจะกลายเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นไปเลยนะมันจะไม่เป็นผู้เป็น มันจะต่างกันตรงนี้ค น, นที่มีสติหรือไม่มีสติมันจะต่างกันตรงนี้นีนึงว่าเป็นผู้เป็นหรือเป็นผู้ดูถ้าเป็นผู้เป็น <ihat. S 1> สแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วพคนที่ไม่มีสตินี่มีมากมายแม้ค่านี่ยิ่งด่าก็ยิ่งด่าเก่งขึ้นทุกวันอันนั้นแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ฝึกสติแน่นอนนะเขาเป็นผู้เป็น แต่ถ้าเราเราจะมาก่อนที่เราเป็นผู้เป็นเออเราเคยไปทะเลาะกับแม่ค้ามาก่อนนะเราก็เป็นผู้เป็นนะแต่ถ้าเมื่อเรามีสติแล้วเราไปซื้อของแม่ค้าต่อเข้าปุ๊บ <c oughs> เขาว่าเราปุ๊บเราจะเริ่มเห็นแล้วเออขณะนี้นะความงุนงิดความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วนะนี่กลายเป็นผู้ดูไปแล้วนะพอเป็นผู้ดูปุ๊บเออความโกรธความหงุนงิดความขัดเคลีงหายไปเลยนะรับประกันว่าหายไปเลยถ้าเรามัเป็นผู้ดูมันอยู่ไม่ได้แน่นอนนะ เหมือนกับ เ, เราดูละครเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปแสดงกับเข า, เ, าเขาเล่นของเขาไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆน ะ, ะเราก็ไม่มีสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความทุกข์แต่เมื่อใดที่เราไปแสดงเองนะเราจะมีความทุกข์ทันทีนะเพราะนั้นในสมัยเนี่ยคนมีความทุกข์กันมากแม้แต่มหากรรมที่นำให้เรามีความสุขก็คื อ, อกีฬาโอลิมปิกเป็นกีฬาที่นาความสุขมาสู่มวลมนุษยชาต นะแต่บางคนดูแล้วก็เกิดความทุกข์ก็มีนะบางคนบอกว่าโอ้ได้ที่สี่โอ้มันก็ไม่ได้เหรียญทองแดงนะมีความทุกข์นะบางคนอ่าแข่งกีฬาได้ที่สี่ไม่ได้เหรียญทองแดงร้องไห้เลยร้องไห้ร้องไห้ตัวคนแข่งเองนะร้องไห้เลยโอ้ทําไมจะไปร้องไห้แล้วได้ที่สี่นี่ถือว่าเป็นที่สี่ของโลกเลยนะ คนต้องเป็นพันๆล้านเนี่ยเราได้ที่สี่เนี่เราเก่งอันดับที่สี่อย่าลกแล้วเรายังเสียใจไปร้องไห้อีกอคนที่ไปแข่งกีฬาได้ที่สี่ร้องไห้ไม่พอไอ้คนดูที่บ้านก็ร้องไห้ไปด้วยเนี่ยเห็นไหมก็คือรู้ไม่ทันอารมณ์ตัวเองนะเออเขาดูให้เกิดความสุขไปดูให้เกิดความทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นเออในประเทศไทยแข่งนะอะ่นี่เป็นคนที่เรารู้จักอ่านี่เป็นคนที่เรารุนคนที่เรารัก แข่งแล้วแพ้เราก็มีความทุกข์ชนะก็มีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าดูกีฬาไม่เป็นนะสมัยก่อนเขาไซ่กา a ล็กซี่ชกมวยสมัยก่อนปากฏรถในกรุงเทพนี่ไม่ติดเลยถนนนี่โอ้โล่งไปเลยทางแทกเป็นช่วงรถต้องเยอะในช่วงเย็นๆห้าหกมงเย็นในรถเยอะแต่เขาใส่ชกนี่รถหายไปเกือบหมดเลยปรากฏยุคที่เขาใส่ชกนั้นคนตายกันเยอะเลยนะ ตายนี่ไม่ได้โดนชกตายนะแต่อ่านข่าวแล้วตายดูโทษทัศน์แล้วตายบางทีเขาตายชกโอ้เขาซายนี่บางทีก็โดนชกนะเกือบจะแพ้เหมือนกันปรากฏว่าคนดูเนี่ยหัวใจวายตายกันหลายคนเนาะนั่นแหละเขาเรียกว่าเราดูแบบดูไม่เป็นนะไปเพลินอารมณ์น ะ, นะอะโอ้โดนชกนี่เราก็โดนชกไปด้วยนะเซไปเลยนะใจมันก็เซไป เผลอไปล้วนไปนะพอเพลอนิดเดียวหัวใจวายตายนะเพราะว่ามีความนะเขาเรียกว่าตื่นเต้นมากเกินไปนะคนเราสร่วนมากก็เป็นแบบนี้นะดูอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าไปเพลินมันก็จะติดในลมแบบนี้นะั่นแหละดูฟุตบอลก็เหมือนกันก น, นะเราจะเห็นข่าวทุกวันนี้กองเชียร์ยกพวกตีกันนะนะนะกองเชียร์ยกพวกตีกันบ่อยๆเ้าเรียกว่าบอลแพ้แต่คนไม่แพ้นะ นะอันนี้แหละคนส่วนมากก็เป็นแบบนี้นะทําอะไรก็มักไปติดไปยึดไปมั่นเออทีมของเราจังหวัดทั้งเราแพ้ไม่ได้นะกีฬาแทนนี้ทําให้คนมีความสุขกับทําให้คนทะเลาะกันตีกันวุ่นวายกันนะเพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักวางใจนะถ้าเราวางใจเป็นอ่านะรู้จักตัวเองเป็นนะแค่เรารู้จักตัวเราเองเท่านั้นเองนะความทุกข์จะเกิดในใจเราไม่ได้เลย เพราะเรารู้แล้วว่าเราเป็นอย่างไรนะมันเหมือนกับสมัยเด็กๆนั่นแหละเราจะแย่งของเล่นแย่งตุ๊กตากันตุ๊กตานี่นะแย่งกันอยู่นั่นนะแต่พอเราโตขึ้นแล้วเราเห็นตุ๊กตามันก็ธรรมดาของเล่นก็ธรรมดาเราไม่ไปแย่งกับใครก็แล้วเพราะเรารู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นผู้ใหญ่รู้จักตัวเราเองแล้วเป็นอย่างไรการมาไปทำกเหมือนกันนะก็เพื่อเรารู้จักตัวเราเองว่าเป็นอย่างไร รู้จักตัวเราเองก็คือหมายความว่ารู้นะว่าขณะนี้นะเรากําลังทําอะไรอยู่ขณะนี้กําลังคิดอะไรอยู่แค่นี้เองนะรู้จักแค่นี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่นี่การรู้จักตัวเองเป็นแล้วเพราะฉะนั้นแค่รู้เท่านี้เองนะมันก็จะไม่หลงแล้วนะเมื่อไม่หลงแล้วเราก็จะไม่แย่งตุกตากับใครแล้วเพราะมันถือเป็นเรื่องเด็กๆเด็กๆก็คืออารมณ์ต่างๆความรักความชังความโกรธความเกลียดความอิจฉาความหึงหวงทั้งหลายแหละนี่คืออารมณ์ของเด็กๆ ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่แย่งตูกตากันนะแต่พอเราโตแล้วเราจะไม่ไปแย่งตูกตากับใครก็คือเราจะไม่ไปยุ่งกับลมเหล่านี้แล้วความโลบความโกรธความหลงความรักความชังความมีชา้าความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจนี่คือเด็กๆเด็กๆที่ไม่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ใหญ่ไม่ปฏิบัติธรรมนะยังติดอารมณ์เหล่านี้อยู่นะติดอารมณ์เหล่านี้เพราะเรายั้งหลงอยู่นะ เพราะนั้นการบัตรรมทั้งหมดก็คือให้เราเป็นผู้ใหญ่ในความที่เราใหญ่เหนือลมทั้งหลายนั่นเองนะนี่แหละเราออกจากความทุกข์ที่แท้จริงก็ขอทุกท่านออกจากความทุกข์ในชาตินี้ทุกท่านด้วยกันทุกๆคนเถิด